สิกขาบทที่ส0บิกษุณีบวชให้สหชีวินีแล้วไม่พาหลีกไปไม่ให้พาหลีกไปต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีคับพิณีวรที่เจ็จบ